บทที่สิบเจ็ดชั้นบรรยากาศที่สูงกว่าทุกคนที่มาจะได้รับการแสดงให้เห็นหนทางและวิถีทางแต่มันจะพาไปไหนจนบัทนี้ก็คงสรุปได้ว่าชีวิตที่เสียงต่างๆบรรยายนั้นแตกต่างจากชีวิตบนโลกใบนี้และยังมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้เวลามีการเปลี่ยนแปลงอิสระ มีขีดจำกัดด้วยกฎแห่งธรรมชาติตรงนั้นพวกเขาก็จะได้ไปหยุดอยู่ตรงโลกอื่นๆหรืออาจเรียกได้ว่าชั้นบรรยากาศอื่นๆที่มีสภาวะแตกต่างกันไปในปี1953โรสบรรยายชีวิตของเธอเมื่อครั้งที่เธอมาร่วมพิธีครั้งแรกที่มีเบ็ตตี้กรีนร่วมด้วยเธอซึมราบความเบิกบานในโลกใหม่ที่เธอได้มาอยู่ เหมือนผู้ทำงานหาเงินอย่างหนักมาจากตอนเหนือที่มืดคลึม้มวันแรกที่ได้เก็บข้าวของไปฮอลิเดย์ย่อมยินดีที่จะขึ้นชั้นดาดฟ้าไปรับแสงแดดแห่งเมดิเตอร์เรเนียนในปี1963เธอยังคงสำราญใจและสบายด้วยไม่ต้องไปขายดอกไม้ตามลานหน้าสถานีเชอริงครอสเธอได้นั่งสนทนากลางแดดกับผู้คนต่างๆแต่นั่นก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของชีวิต มันไม่อาจสร้างความพอใจให้เธอได้ตลอดชีวิตและก่อนฮอลิเดย์จะยุติเธอต้องพยายามก้าวไปข้างหน้าได้ใช้เวลายามเช้าบนชายหาดทานมื้อเที่ยงในโรงแรมและขึ้นรถบัสไปดูทิวทัศน์ในประเทศยามชายฝั่งพวกเขาคุยกันถึงการย้ายที่เธอบอกมันก็ถูกต้องเหมาะสมสำหรับคนที่มีความรู้สูงซึ่งต้องการดาเนินไปในหนทางที่แตกตา่าง แต่ฉันก็มีความสุขอย่างที่เป็นทำไมฉันจะต้องย้ายละ่ะพวกเขาพร่ำพูดเสมอว่าฉันควรคิดถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ฉันทำไม่ได้ด้วยตัวเองหรอกแรกๆที่ฉันมาที่นี่พอฉันปรับตัวได้ก็คิดว่ามันจะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ฉันสงสัยว่านี่คือส่วนของชีวิตที่ต้องดำเนินไปอีกหลายปีใช่หรือเปล่าเราจะแก่ตัวลงอีกครั้งแต่ยังมีเรี่ยวแรง เราจะได้เป็นเช่นนั้นฉันสงสัยว่าจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่มีการตายมันแปลกที่สุดเรากับเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆและจากนั้นพอเราแก่ตัวถึงจุดจุดหนึ่งหรือคิดว่าเรารู้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วเราก็สามารถจะก้าวไปสู่สภาวะการหลับหรืออะไรบางอย่างในที่ที่แตกต่างกันไป แน่นอนฉันกลัวแบบนั้นฉันยังไม่อยากไปเพื่อนของฉันหลายคนบอกว่าฉันควรที่จะไปแต่ฉันก็ไม่เหตุผลที่จะต้องทำก็ทำไมฉันจะต้องเลิกทำในสิ่งที่เป็นอยู่ในเมื่อเรามีความสุขอยู่กับมันแล้วทำไมจะต้องไปหาสิ่งที่เราไม่รู้จักด้วยละ่ะฉันไม่อยากเคว้งคว้างเพราะมีความสุขดีอยู่แล้วในไม่ช้าหลังจากที่เธอกล่าวเช่นนั้น ดูเหมือนเธอตัดสินใจจะไม่ไปไหนสามปีต่อมาในปี1965เธอกลับมาอีกครั้งวูสังเกตบางอย่างในตัวเธอที่เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับเธอไม่มีสำเนียงคอกนี่อีกแล้วเธอสนทนาด้วยมาดใหม่โรสเขาถามเธอย้ายไปหรื อ, อยังโทษเธอร้องถามอะไรตลกอย่างนั้นครั้งก่อนเธอบอกว่าไม่อยากย้าย ใช่ฉันไม่อยากไปแต่ฉันก็ต้องไปเธอย้ายไปเหรอเบตตี้กรีนอุทานใช่แต่มันแปลกจริงๆเวลาที่คุณพูดกับเราคุณใช้คำพูดว่าเธอย้ายไปหรือยังฉันว่าเวลาคุณพูดถึงการย้ายในพบของคุณนะ่ะคุณจะมีพวกรถตู้ย้ายข้าวของไปยัดไว้ในรถท่ายของลงเอากลับมาเข้าไปอยู่ในที่ใหม่แน่ละการย้ายที่นี่ไม่ได้หมายความอย่างนั้น ขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเลยการย้ายพบที่นี่ง่ายกว่าและขณะเดียวกันมันก็ลำบากกว่าเพราะที่นี่เราไม่สามารถย้ายไปไหนต่อไหนได้จนกว่าเราจะทำให้มันเป็นไปได้เพื่อตัวเองซึ่งหมายความว่าเราต้องยอมจำนนและทำให้บางอย่างในตัวเองเรียบร้อยขณะอยู่ในพบของคุณเพียงแค่คุณมีเงินคุณก็จะย้ายไปได้ เมื่อคุณต้องการแต่เงินที่นี่ไม่มีความหมายอะไรคุณจะย้ายได้ก็ต่อเมื่อตัวคุณธรรมชาติของคุณบุคลิกภาพของคุณสามารถทำสิ่งที่เกี่ยวกับกิจนี้ได้ดังนั้นคุณจะย้ายไปไหนก็ได้เมื่อคุณต้องการที่จะย้ายตกลงแล้วเธอย้ายไปได้ยังไงล่ะเบ็ตตี้กรีนถามหมายความว่าเธอต้องผ่านขั้นตอนอะไรมีประสบการณ์อะไรพิเศษหรือเปล่า ฉันว่ามันคือการสังเกตและรับฟังคนอื่นๆที่มีประสบการณ์มากกว่าและพยายามทำสิ่งต่างๆที่ได้รับการบอกเล่าแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นแน่นอนเราจะได้รู้ว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่จะต้องเหมาะสมกับสิ่งที่เราเป็นแต่มันไม่มีผลอะไรนะักบรรยากาศใหม่ของชีวิตเธอเป็นอย่างไรบ้างนี่คือคำถามของบูธมันสวยมาก ฉันจะไม่พูดว่ามันสวยกว่าสถานที่ที่ฉันเคยอยู่มาก่อนแต่ฉันจะพูดยังไงดีละ่ะฉันพบว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นเพราะฉันกำลังทำงานฉันคิดแบบนั้นเพราะนึกว่าตัวเองคงไม่มีอะไรทำตอนนี้ฉันเริ่มที่จะสนใจเด็กๆแล้วละ่ะเธอกำลังทำงานอยู่เหรอโรสเบ็ต <c oughs> ี้กรีนซับตอนนี้อาจฟังดูแปลกๆ แ, แต่ฉันกาลังไปสู่สิ่งที่คุณเรียกว่าวิทยาลายัย หรือถ้าคุณอยากเรียกมันว่าโรงเรียนก็ได้เราได้เรียนรู้เรื่องมากมายเกี่ยวกับตัวเองและศักยภาพในตัวเรากับพลังความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่แน่นอนตอนฉันอยู่พบของคุณฉันไม่ใช่คนที่มีความคิดสร้างสรรหรืออะไรทำนองนั้นและฉันเองก็ไม่มีภูมิหลังหรือการศึกษาอะไรฉันกำลังเรียนรู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นไปได้ในตัวเองที่จะพัฒนา ไม่ใช่เพียงแค่เป็นนักคิดสร้างสรรค์แต่ยังสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาแก่คนอื่นๆได้ตอนนี้ฉันสามารถกลับไปยังบรรยากาศอื่นๆฉันสามารถเปิดเผยตัวเองได้ดีขึ้นและสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆได้ฉันสามารถพูดคุยกับผู้คนซึ่งฉันไม่เคยทำได้ดีมาก่อนแต่ตอนนี้ทำได้แล้วสาหรับฉันนั่นเป็นสิ่งที่วิเศษมาก ตอนนี้ฉันสามารถลงไปในชั้นบรรยากาศที่ต่ำกว่าและคุยกับคนพยายามให้การศึกษาให้เขาได้ตระหนักว่าสถานการณ์ซึ่งพวกเขาเข้าไปประสบเป็นเช่นไรให้เขาได้ค้นพบความผิดของตัวเองสิ่งที่ฉันอยากถามเธอนโรสเบตตี้กรีนแท็กคือตอนที่เธอละไปจากชั้นบรรยากาศเก่าของเธอสู่ชั้นที่เธออยู่ในปัจจุบันเธอหลับไปและเจอตัวเองในชั้นหนึ่ง หรือว่ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปโรสเลี่ยงคำถามนี้ฉันเริ่มเก็บข้าวของเธอบอกและไต่ขึ้นไปฉันไม่มีรถตู้หรอกเพราะที่นี่ไม่จาเป็นทุกอย่างที่เป็นของคุณและทุกอย่างที่คุณรักที่นี่แม้มันจะเป็นของจริงในขณะเดียวกันพวกมันก็เป็นของจริงจนถึงเวลาที่คุณคิดว่าคุณอยู่เหนือพวกมัน หมายความว่าคุณคิดว่าสามารถไปได้โดยไม่ต้องมีของพวกนี้คุณรู้ว่าคุณทำได้โดยไม่มีของพวกนี้และฉันว่านั่นคือการเริ่มต้นของกระบวนการเมื่อเราได้เป็นเจ้าของไม่ว่าจะเกี่ยวกับบุคคลหรือไม่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่มันก็ไม่ใช่สิ่งดีหรอกเข้าใจหรือเปล่าเราต้องเรียนรู้ที่จะรักอะไรสักอย่างหรือรักใครซึ่งสาคัญกว่าโดยไม่มีการคิดครอบครองเป็นเจ้าของ เราต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือบุคคลเหล่านั้นซึ่งสิ่งที่เธอกำลังรักอยู่ในตัวของพวกเขาเองก็เป็นหนึ่งเดียวอย่างที่คุณเป็นและพวกเขาก็มีสิทธิ์ในความเป็นตัวของตัวเองกับคนที่เป็นคนพิเศษขณะที่คุณรักใครสักคนมากขึ้นเรื่อยๆความรักของคุณกับความรู้สึกเป็นเจ้าของจะลดน้อยลงเรื่อยๆ คุณเพียงเป็นห่วงในความสุขสบายและเรื่องดีๆของพวกเขาแต่แน่นอนเวลาที่มีรักแท้และเข้าใจความหมายที่แท้จริงจากนั้นมันก็เหมือนคุณกำลังทำงานร่วมกับคนอื่นๆไม่ใช่เรื่องส่วนตัวต่อเมื่อคุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองคุณก็สูญเสียความรู้สึกเป็นเจ้าของตัวเองเมื่อคุณปรารถนาให้คนอื่นได้พบสิ่งดีงาม ก็เท่ากับคุณกำลังพาตัวเองเข้าใกล้เขตแดนของการสอดประสานเข้าใกล้สัมผัสกับบุคคล น, นั้นและบุคคล น, นั้นกำลังเข้ามาใกล้คุณในการช่วยเหลือและคิดถึงคนอื่นๆคุณกำลังทำสิ่งต่างๆให้ตัวเองทางอ้อมแต่คุณกลับไม่มีแรงผลักดันตอนนี้บนโลกมีผู้คนมากมายเวลาที่พวกเขาคิดถึงคนอื่นและต้องการที่จะช่วยคนๆนั้นบ่อยครั้ง พวกเขาจะยึดติดอยู่กับสิ่งที่พวกเขาเป็นและมัวแต่คิดถึงตัวเองในกรณีของภรรย า, าเธออาจคิดว่าถ้าฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถช่วยแจ็คได้อย่างไรเสียธุรกิจก็จะก้าวหน้าแล้วเราก็จะมีบ้านที่สวยกว่าน่าอยู่กว่าบางทีเราคงจะได้รถใหม่สักคันเห็นไหมคะเวลาที่คุณคิดถึงคนอื่นที่นี่คุณไม่คิดในทางที่เห็นแก่ตัวตลอดเวลา คุณกำลังคิดถึงสิ่งที่คุณทำได้เพื่อคนอื่นๆคุณจะพยุงพวกเขาขึ้นจากปลักตมได้อย่างไรคุณจะให้พวกเขามีมุมมองในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นแค่ไหนให้พวกเขาคิดถึงแนวทางที่แตกต่างเพื่อให้พวกเขาได้รับความสงบอย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนและพวกเขายังช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วยตอนนี้บ้านของเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าโรสเบ็ตตี้กรีนถามพยายามเปลี่ยนหัวข้อ นั่นก็เป็นอีกเรื่องไม่ใช่หรือโรถตอบตอนเรามักคิดเสมอว่าถ้าเรามีการพัฒนาเราจะต้องดีขึ้นหรือต้องได้รับบางสิ่งที่ดีกว่าที่เคยมีมาก่อนแต่พอเราเริ่มรู้จักตัวเองจริงๆมันกลับไม่ใช่ขนาดของบ้านหรือสิ่งที่เรามีในบ้านหรืออะไรพวกนั้นหรอกเราเห็นว่าการปรับปรุงไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เรามีมากขึ้นเราอาจพูดได้ว่าในมุมมองนั้น เราได้เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆน้อยลงเพราะว่าสิ่งที่เราจะมีมากขึ้นคือความรักมีความสงบในจิตใจที่มากขึ้นมีสันติมีความสุขมากขึ้นเพราะตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเรากําลังทําและเรากําลังให้และเรากํลากลังรักเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติพูดอีกอย่างก็คือ เมื่อเราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเราจึงจะได้ค้นพบตัวเองไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรได้นานหรอกเราให้พวกเขาทุกอย่างที่พวกเขาต้องการเราให้พวกเขาทุกอย่างที่พวกเขาคิดว่าตัวเองต้องการและหลังจากผ่านไปสักระยะความต้องการของพวกเขาจะลดลงพวกเขาต้องการสิ่งอื่นที่มากขึ้นพวกเขาพบว่า นั่นไม่ใช่สิ่งที่คิดว่ามันจะเป็นฉันคิดว่าฉันเคยเป็นเจ้าของทุกอย่างที่มีแต่ในไม่ช้าฉันเริ่มเรียนรู้ว่าแม้ในวิถีทางที่ฉันกำลังทำสิ่งต่างๆเพื่อคนอื่นฉันยังทำได้ไม่พอฉันกำลังจะพูดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความหมายต่อฉันมากอย่างที่มันเคยมีมาก่อนและมีอะไรบางอย่างที่ฉันต้องพยายามเพื่อมัน ฉันต้องค้นพบให้ได้ว่ามันคืออะไรเหมือนเช่นที่เป็นในโลกของคุณคุณก้าวผ่านชีวิตเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆสร้างสารรค์สิ่งต่างๆและสภาวะต่างๆเพื่อตอนเองคุณอาจหาบ้านหลังน้อยน่ารักให้ตัวเองตกแต่งมันมีความสุขแต่จุดสำคัญก็คือถ้าคุณอยู่มานานเป็นศตวรรษศตวรรษแล้ว คุณจะอิ่มตัวกับมันในซักวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่เรายึดถือได้จริงๆคือสิ่งที่มาจากใจและวิญญาณก้าแรกของโรสสู่ชีวิตซึ่งยังไม่เคยมีเสียงใดามาบรรยายมาก่อนและอาจไปไกลาจากเราเสียจนเราคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รู้เรื่องพวกนี้เทอร์รี่สมิธเอะใจในเกือบทันทีที่เขามาถึง ผู้นำทางบอกเขาว่าแมวที่เขาเจอในห้องนั่งเล่นในบ้านใหม่ของเขามีอายุถึง60ปี60ปีเลยเหรอเขาอุทานผมเคยได้ยินมาว่าแมวมีแค่เก้าชีวิตค่ะเธอบอกปกติทุกคนก็มีหลายชีวิตคุณกําลังก้าวไปสู่ช่วงต่อไปของชีวิตแต่คุณจะพบว่ามีช่วงต่อไปของชีวิตนี้ด้วยและก็มีต่อต่อไปอีกคุณจะได้เรียนรู้ภายหลังเธออธิบาย คุณต้องไม่คิดว่าเพราะคุณถูกเรียกว่าตายไปแล้วแล้วคุณจะไม่มีช่วงต่อไปของชีวิตคุณจะได้ใช้มันก้าวไปสู่อีกสถานะของชีวิตตอนนี้อย่ากังวลไปเลยคุณจะพบว่าทุกชีวิตก็เป็นส่วนที่ต่อเนื่องมาจากชีวิตก่อนหน้านั้นในคําพูดของเราคุณกําลังดําเนินไปในกล า, าลปวสารคุณจะเหนื่อยหน่ายกับสถานที่แห่ง น, นี้บรรยากาศนี้ หรือสภาวะของชีวิตที่คุณเป็นอยู่นี้คุณจะค่อยๆซึมซับว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าที่คุณเรียนรู้ได้จากที่นี่และไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่จำเป็นแก่คุณที่นี่และคุณจะพบแรงกระตุ้นกับความจำเป็นในการเพิ่มเติมประสบการณ์ให้แก่ตัวเองคุณจะผ่านเข้าไปสู่สภาพความเป็นจริงที่แตกต่างในบรรยากาศที่สูงกว่าหรือสถานที่ที่คุณจะได้ชื่นชมเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ต่างๆที่คุณไม่อาจหาได้จากที่นี่แต่นั่นยังต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะนานแค่ไหนกันจอร์จบราวซึ่งเสียชีวิตไปนานกว่าเทอร์ี่สมิธก็ยังคุค้นคิดถึงบรรยากาศที่สูงกว่าในอนาคตอันห่างไกลคุณก้าวผ่านชั้นแห่งการเปลี่ยนแปลงเขากล่าวและบนชั้นของการต้อนรับหรือชั้นของการประเมินใหม่ ถ้าผมสามารถใช้การแสดงออกของชั้นต่างๆหรือตั้งชื่อกับมันได้คุณพาตัวเองออกจากความคิดต่างๆที่ไม่มีคุณค่าและไม่เคยมีคุณค่าแท้จริงแก่คุณอีกต่อไปสาธุคุณเรตันโทมัสผู้แนะนำบูดให้มาสู่การค้นคว้าทางจิตและเสียชีวิตลงไปในปี1953ทำได้เพียงแค่รายงานสิ่งที่เขาได้รับฟังมาท่านเคยไปยังชั้นที่สูงกว่าหรือเปล่า บูดถามเออเขาตอบมีกฎต่างๆซึ่งทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งสำคัญคือต้องได้รับอนุญาตให้ไปไกลเท่าที่เราสั่งสมบุญกับตัวเองไว้ในแต่ละช่วงชีวิตโดยพัฒนาการของเราเราจะไม่สามารถขึ้นไปสู่ชั้นที่สูงกว่าได้จนกว่าเราจะพร้อมก้าวเข้าสู่สภาวะนั้นแน่ละ่ะเราลงไปในชั้นบรรยากาศชั้นต่ำๆเบื้องล่างได้ชั้นที่ต่ากว่าบรรยากาศที่เราอยู่นั้น แต่เราไม่สามารถเข้าสู่สภาวะที่สูงกว่าได้จนกว่าเราจะมีบุญมาพอฉันไม่เคยฝันถึงความพยายามก้าวไปสู่สภาวะหรือบรรยากาศชีวิตซึ่งตัวเองไม่เหมาะสมไม่เลยที่ที่ฉันไม่พร้อมฉันจะลงไปยังบรรยากาศข้างล่างเพราะฉันสามารถให้บริการเออฉันสามารถช่วยบรรดาผู้ที่พัฒนาได้น้อยกว่า เป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งฉันไม่มีความสุขที่นี่คุณอาจคิดว่าคงดีที่จะได้มีประสบการณ์และคนเราควรมีความสุขแต่ไม่จริงหรอกฉันว่ามันเปรียบได้กับโลกที่ฉันเคยอยู่คนเรามีความสุขในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เขาเองที่สุดและการไปอยู่สถานที่ที่มีการพัฒนาการมากกว่าแม้ฟังดูเป็นเรื่องผิวเผิน นั่นจะเป็นประสบการณ์ที่วิเศษเรารู้โดยสัญชตาตญาณว่ามันมีกฎเราไม่สามารถสงบหรือพักได้เพราะเราไม่เหมาะสมเราจะปรับตัวไม่ได้เราสามารถไปถึงจุดนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราพัฒนาตัวเองไปหาจุดจุดนั้นวิญญาณยกระดับในบรรยากาศชั้นสูงก็ไกลเกินกว่าพวกเขาจะอธิบายแก่เราได้ตรงๆบางข้อมูลที่สื่อสารมาถึงเรา มีพื้นฐานอยู่บนคําบอกเล่าหรือมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเพราะพวกเขายังอยู่ในบรรยากาศที่ติดอยู่ในโลกมนุษย์ตัวอย่างเช่นจอร์จฮอปกินชาวน า, าซัสเซตยังเลี้ยงม้าทำปสัสสตว์ผมพบข้อสรุปเขากล่าวว่ามีบรรยากาศต่างๆกันหรือมีภาวะความเป็นอยู่ต่างกันขณะที่คนหนึ่งเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่ง สิ่งต่างๆซึ่งเคยมีความสำคัญต่อเขานั้นจะค่อยๆหายไปผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะที่ในบรรยากาศที่สูงกว่ารูปแบบของชีวิตจะเปลี่ยนไปมากเสียจนยากที่จะจำได้ว่านี่เคยเป็นอีกชีวิตชีวิตหนึ่งผมได้ฟังมาไม่รู้สินะแต่ผมได้ยินมาว่าวิญ ญ, ญาณชั้นสูงพวกเขาจะไม่รู้สึกว่าตัวเองมีร่างกายนั่นเป็นเรื่องซึ่งผมยังไม่เข้าใจแต่พวกเขาบอกว่าเมื่อเราถึงระดับที่สูงมากๆเข้า เราจะไม่ต้องการร่างกายและเราจะสิ้นความอยากที่จะอยู่ด้วยลูกทรงผมไม่เข้าใจหรอกมันทำให้ผมงงแต่ถ้าผมไปถึงสภานวะแบบนั้นบางทีผมอาจจะเข้าใจก็ได้เสียงอื่นๆบอกเราว่าเราไม่อาจคาดหวังที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้ในตอนนี้หรือหวังว่าจะมีใครมาสื่อสารกับเราเพื่ออธิบายเพิ่มเติมมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอเลนเทอรี El ่บอก สำหรับวิ ญ, ญญาณที่จะมาพนันนาถึงบรรยากาศที่สูงกว่าบรรยากาศที่อยู่ใกล้โลกสามารถบรรยายพอให้คุณนึกภาพออกจะวิญญาณที่ล่วงไปสู่บรรยากาศที่สูงกว่ามีสภาวะที่ไกลไปจากโลกไม่อาจรวบรวมเป็นคำพูดมาอธิบายถึงสถานที่ที่พวกเขาอยู่ได้มีเสียงหนึ่งอ้างว่าตนชื่อคอมแมนฮันต์เขามาในปี1962 ก็จริงที่เรามีรูปปรากฏหลากหลายและเรามีรูปร่างอีกมากมายต่างกันไปซึ่งเราไม่อาจสามารถอธิบายแก่คุณได้เพราะพูดกันตรงๆว่าเราไม่มีทางที่จะทำได้เราไม่สามารถพนันนาถึงสิ่งซึ่งไม่มีภาษาพูดออกมาได้ถึงตรงนี้อนาคตกลายเป็นสาระแห่งศรัท ธ, ธาฉันคิดอยู่เสมอสาธุคุณเรตันโทมัสกล่าว ถึงสิ่งที่พระเ ย, ยซูกล่าวแก่หญิงที่แตะชายเสื้อของพระองค์ศรัทธาสร้างทุกสิ่งฉันหมายความว่าพระเ ย, ยซูรู้อยู่แก่ใจว่ามันคือพลังในตัวของพวกเราการรับรู้ในตัวเราของแต่ละคนไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองเรามีศรัทธาซึ่งแสนดีและเรามีพลังอันสูงล้ำเรามีอำนาจและเมื่อเรามีศรัทธา มันจะทำให้เรามองเห็นหนทางจากนั้นเราก็จะเดินไปได้ถูกทางศรัทธาเกี่ยวพันกับาศาสนาหรือาศาสนาเป็นหนทางสู่สวรรค์กันแน่าศาสนาที่สอนเราอยู่บนโลกเป็นอย่างไรบนสวรรค์